อีกไม่ถึงสองเดือนนะก็จะมีการเดินธรรมยาตราอันนี้เป็นงานประจำปีไปแล้วนะตอนที่หลวงพ่อคเขียนด้วยเริ่มก็คือเมื่อปีสี่สามสบหปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่คิดว่ามันจะต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้นะ ครั้งนีนะ้ที่จะจัดหนึ่งถึงแปดธันวาก็เป็นการเดินธรรมยาตาครั้งที่สิบเจ็ดนะสนี่สิบเ็เฉยๆนะไม่ต้องเอาไปคิดมากนะตีเป็นตัวเลขธรรมยาตานะหลวงพ่ออมเขียนท่านริเริ่มอยากจะให้มีนะเพื่อเชิญชวน กระตุนเราให้ชาวบ้านบนหลังเขานี่แหละนะตื่นตัวเรื่องสิ่งแวด ล, ล้อมท่านก็พูดเสมอนะว่าตอนนี้แม่น้ำล้มป่วยแผ่นดินร้องไห้นะถ้าธรรมชาติมีชีวิตเนี่ยนะก็เหมือนคนที่กำลังป่วยหนัก เหมือนคนแก่ที่กำลังจะตายแล้วถ้าเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ทำอะไรเลยนะก็ถือว่าอากตันยูนะเพราะว่าพวกเราทุกชีวิตแหละไม่ว่าอยู่บนหลังเขาหรือว่าอยู่ในเมืองก็รุ่นแต่ว่าได้ดบได้ดีเพราะธรรมชาติ ที่มีชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะธรรมชาติน้ำที่เรากินอากาศที่เราหายใจอาหารที่เรากินมันไม่ได้มาจากร้านเซเว่นะไม่ได้มาจากห้าสรรสินค้านมันมาจากธรรมชาติมาจากปาก่ามาจากเขามาจากแม่น้ำลำทารอนไรที่ธรรมชาติก็กำลังเสริมสลายนะหลวงพ่อท่านก็อยากจะให้ มีการทำอะไรสักอย่างแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ดีกว่าไม่ทำนะทานก็เลยนะให้แนะนำให้เดินธรรมญาตรานะธรรมญาตราคือขบวนที่มีพระเป็นผู้นำนะมีแม่ชีมีญาติโยมคล้ายๆเดินทู ด, ดงนะแต่ว่าไม่เหมือนกันทีเดียวนักก็คือจะลิกไปตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็ข้างแรม มีการแสดงธรรมการแสดงธรรมนี่ก็นอกจากพูดเรื่องทั่วๆไปแล้วก็จะมันเน้นเรื่องคุณค่าของธรรมชาติความสาคัญนะของธรรมชาติที่มีต่อธรรมะธรรมะกับธรรมชาตินี่มันสัมพันธ์กันอย่างไรและเราจะช่วยเหลือกกูลฟื้นฟนูธรรมชาติได้อย่างไร ไม่ต้องธรรมชาติที่ไหนแล้วนะเริ่มต้นจากธรรมชาติที่อยู่หน้าบ้านเรารอบตัวเรานะก็คื อ, อธรรมชาติบนหลังเขาเนี่ยก็เดินไปทุกวันทุกวันนะจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางในวันที่แปดทีแรกเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะทำได้มาจนถึงทุกวันนี้นะเพราะว่าเป็นงานยากนะต้องเดิน กลางแดดบางทีก็ฝ่าลมฝ่าฝนะทางก็ลำบากนะไม่ใช่เป็นทางาลาดยางหรือทางเทปูนอย่างเดียวนะบางทีก็เดินทางลูกลังบางคนก็ถอดรองเท้านะแต่ก็ปรากฏว่ามีคนสนใจมาร่วมนะเป็นร้อยทุกปีนะ มันก็เลยทาได้มาจนถึงทุกวันนี้นะมันไม่ใช่งานง่ายๆแบบงานกระถินงานผ้าป่านะที่สามารถจัดได้ทุกปีงานกระถินงานผ้าป่านี้ก็ใช้เวลาจัดไม่นานแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากลำบากอะไรแต่แต่ธรรมยาตรานี้มันต้องใช้ความเพียรความอดทนแต่ก็เป็นโอกาสในการปฏิบัติธรรมไปด้วยเป็นการเจริญสติไปในตัวนะทำยังไงแดดร้อนใจไม่ร้อน กายเหนื่อยแต่ว่าใจสดชื่นนะนะคำขันะธรรมญาตราคือว่าเหนื่อยแต่กายนะนะใจเบิกบานร้อนแต่กายนะใจสงบเย็นนะใครอยากจะรู้ว่าทํำยังไงนะถึงจะร้อนแต่กายใจสงบเย็นเนะี่ยต้องลองไปเดินธรรมญาตรา เป็นการทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไปในพร้อมๆกันประโยชน์ตนก็ฝึกสติประโยชน์ท่านก็คือช่วยกระตุ้นให้ผู้คนตื่นตัวสิ่งแวดล้อมปีนี้จะเริ่มเดินนะที่ภูหลงนะซึ่งเป็นต้นน้ำลำปะเทาวเราจะเดินตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยนะยังไม่เคยปีมีปีไหนนะที่เดินแบบนี้นะเดินจากต้นน้ำไปปลายน้า ปลายน้าอยู่ที่ไหนปลายน้ําอยู่ที่ปากตกปากตกเนี่ยคือจุดที่ลําปะทาวไปลงแม่น้ําชีหรือบางคนเรียกแม่น้ำํำซีปากตกเนี่ยอยู่ตรงเถวประมาณสักสิบยกิโลเมตรจากตัวเมืองชายภูมินะถ้าถ้าลำลำปะทาวเป็นแม่น้ำสายใหญ่แล้วก็เรียกปากน้ำนะ แต่ลำบะาทาเนี่ยเป็นแม่น้ำสายเล็กนะเราก็เรียกปากตกนะคือน้ำไปตกที่จุดนั้นแหละนะไปบรรจบกับแม่น้ำชีหรือแม่น้ำสีอันนี้เป็นการเดินนะครั้งแรกนะจากต้นน้ำไปู่ถึงปลายน้ำจริงจริงระยะทางก็เกือบร2 0ยกิโลเมตรต้นน้ำก็คื อ, อผู้หลงนะ ก็จะเดินเรียบตามน้ำเป็นส่วนใหญ่คำขวัญปีนี้ก็เลยตั้งว่าตามรอยน้ำตามรอยทำนะก็คือเดินตามกระแสน้ำไปเท่าที่จะทำได้นะบางช่วงกบเข้าป่านะผ่านป่ามีบางวันก็ไปนอนที่อุทยานตัดโตนก็คือประมาณวันที่สามนะ ก็ได้ครั้งแรมในป่าแล้วก็บางวันก็ไปนอนตรงโบราณสถานคือปรางกูนะปรางกูนี่ก็อยู่ใน เ, เขตตัวเมืองละเป็นวันที่หธันวาพอดีก็จะมีการาถวายพระพรนะจุดเทียนชัยถวายพระพรกันที่นั่นแล้วก็มีการลํำลึกถึง ความรุ่งเรืองของชุมชนโบราณเมื่อพันกว่าปีก่อนซึ่งตั้งอยู่ริมลำปะทาวนะลำปะทาวนี่เป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะไม่ใช่แค่มีความสำคัญธรรมชาติเพราะว่ามีชุมชนโบราณ น, นะตั้งอยู่โบราณขนาดไหนก็ขนาดพ2 0 0อปีอนะเช่น เมืองอกุดงงนะกุด ง, งงนี่ไม่ใช่เมืองนะมันเป็นหมู่บ้านแต่ว่ามันเคยเป็นเมืองใหญ่ก็มีเสมาสมัยทวรารวดีทวรารวดีนี่ก็พุทธศตวรรษที่ 8-12 ถึงนะถ้ามาถึงปัจจุบันก็พันสอง0 0พันารอปีแล้วเป็นอย่างน้อยเราก็จะไปนอนค้างที่นั่นเหมือนกันนะคืนวันที่เจ็ดนะ คือมาที่หนะปรางกูลนี่ก็โบราณนะพันกว่าปีนะก็เป็นโบราณสถานของพุทธศาสนาแบบมหายานนะที่จริงเนี่ยมันมีอีกที่หนึ่งนะที่เก่าแก่เหมือนกันนะก็คือวัดพระเจ้าองค์ตื่อ น, นะอันนี้ก็เก่าอยู่ริมลำปะทาวเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้แวะนะเคยแวะไปแล้วเมื่อปีส ปี55นะเพราะฉะนั้นเนี่ยาการเดินธรรมยตราปีนี้เนี่ยนอกจากเป็นการเดินเพื่อฟื้นฟูรธรรมชาติแล้วก็ยังเป็นการเดินเพื่อให้เราเข้าใจาธรรมะแล้วก็ประสานกับวัฒนธรรมด้วยวัฒนธรรมก็คื อ, อความเจริญรุ่งเรืองในอดีตนะที่มันยังตกทอดมาถึงปัจจุบัน ก็เชิญชวนนะอ่าใครที่ว่างนะในช่วงหนึ่งธันวาจะเป็นพระเป็นแม่ชีนะเป็นครวาดจะเป็นเด็กหรือคนแก่ก็มาร่วมไดนะ้ทุกปีก็มีเด็กๆมาร่วมเดินนะเป็นการเพิ่มสืส่อสารให้กับทให้กับธรรมญาตาิตาเด็กอายุ3ขวบก็มาเดินเด็กอายุ5้าขวบก็มาเดินปนะู่ย่าตายายพามาเดินบางทีพ่อแม่ก็พามาเดินคนแก่70กว่าก็มาเดิน เดินไม่ไหวก็นั่งรถนะแต่ว่านั่งรถไปนานๆก็อยากจะเดินนะเพราะเห็นคนหน่เเดินกันก็อยากจะเดินบ้างแล้วก็เดินได้ด้วยเพราะว่าการเดินเนี่ยมันไม่ได้อาศัยเดินด้วยเท้าสอครังก่อนนัคือเดินด้วยใจร่างกายแข็งแข็งแรงแต่ถ้าใจเล็กใจรีบเนี่ยมันก็เดินแค่ร้อยสองร้อยเมตรก็หยุดเดินแล้วแต่ถ้าร่างกายอ่อนแอแต่ว่าใจใหญ่ใจแข็งแรงนะ ก็สามารถจะเดินได้นะเป็นกิโลกนะิโลหลวงพ่อกรมหลวงพ่ออมเขียนนั่นก็มาร่วมเดินนะสมัยที่หลวงพ่ออมเขียนมีช่วย อ, อยู่ท่านก็นมาร่วมเดินนะแทบทุกครั้งเลยเพราะครั้งสุดครั้งล่าครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านมรณภาพท่านก็นมาเดินนะแล้วก็มาค้างแรมกับพวกเราทุกวันเลยนะมากลางเต็นนะที่นี่เราก็นะ พักอาศัยตามศาลาวัดนะหรือไม่ก็นอนเต้นกันใช้ชีวิตแบบใกล้ชิดกับธรรมชาตินอนกลางดินกินกลางทรายนะดูเหมือนลำบากนะแต่ว่าไปไประมาณนี้กลับสบายเพราะว่ามีคนศรัทธามีญาติโยมมาเอาอาหารมาถวายเรียกว่าเหลือเฟือทุกปีนะวนข้างต้องเพาเานะ คนเดินธรามยตาก็มาเยอะจนทั่งเราต้องหาทางทําให้มันยากนะเช่นใครที่อายุไม่ถึง50นี่ก็ต้องแบกสะพายของเองยกเว้นเครื่องนอนนี่ฝากรถไปได้แล้วก็ไม่มีอาหารเย็นนะแต่ก่อนนี่บริการทุกอย่างนะคนมาเยอะนะห้าหกรตอนหลังต้องชะลอชะลอหน่อยมากันน้อยน้อยหน่อยนะก็เหลือสักครึ่งหนึ่งได้นะแต่ครึ่งหนึ่งนี่ก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะนะเพราะฉะั้นใครว่างนะสะดวกก็เชิญนะ โดยเพราะวันหยุดยาวเนี่ยสามสี่ห้าสาวอาทิตย์จันนะเป็นวันหยุดนะก็มามาเดินได้นะหรือจะมาเดินแค่วันหนึ่งครึ่งวันก็ได้แต่ถ้าให้ดีก็มาตลอดงานเลยตั้งแต่ผู้หลงนะจนกระทั่งไปสุดที่ปากตกนะเช้า ว, วันที่8ดธันว า, าแล้วก็เตรียมรับพร